ความเป็นอยู่ของคนหมุงมากเพราะมนุษย์เราอยู่ลาพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่นีพวกนี้เพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตาบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดยเยดีย่ยวโดยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรานขี้แคร์เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายมั่นเมืองไม่มีสิ่งทำเป็นเครื่องปกครอง ความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นี่สําสคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแ ก, ก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมือ่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนหรยกว่าสร้างความทุกข์ความลําบาก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 คนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ยว่นแย่ตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองนีเราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทดิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นพิยิตของใจเป็นหลักของใจมีความนมึดน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ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 อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แจ้ความเกิดแจ่เจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ซ่ากวันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุข บ, บ้างทุก บ, บ้างดังที่เราะทะาท่ากันอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสื่ภพสื่ท่าไปด้วยไปได้ด้วยดี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 องสอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่เหละคําดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สาหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพราะว่าคำสอนจึงเป็นที่แน่ใจสําหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดลบันนานใจ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 มันก็เป็นสถานที่อยู่ของสตัตว์ผู้อยากช้าลามุสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่อนอย่างเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครที่นี้โลกนี้ก็ยังมีเรือนจําเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจํำไปแล้วก็ดีๆกันลิ้นอะไรนั้นไม่ได้ถูกกักขงังไม่ได้ถูกทําโทษทํากรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนับโทษ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 แต่เราไม่ได้อบรมตั้งสอนจึงจิตจึงเป็นเรื่องอาภาพัพเนจิตอาภาัพอยู่ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนอาภาัพทางนั้นเพราะสิ่งอาภาัพมันปกติกำบังมันเนียมนาคเหนืหอนกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภาัพไปตามๆกันต้องลมสติปัญญาในจิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจ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 พอปราศจากสิ่งก่อกวาในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจนมาบาังมากจนหน้าตากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนอยู่อวกาศหรืเห อ, อ, อาารเหมือนอยู่อากาศกลางขาวไปอย่างนั้นมั่นแหละกิจสบายกิดปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นมีควอสมสงบเต็มที่เป็นไม่ทราบมาตนอยู่ที่สูงที่ต่ําและอยู่ในที่เช่นไหร